วิธีสละรูปิยะที่เป็นนิสกีภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ผงอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกรับเท้าภิสูุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมรับรูปิยะไว้รูปิญญาี้ของกระผมเป็นนิสกีกระผมสละรูปิญญาี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถรับอาบัติ ถ้าคนงานวัดหรืออุบารสุขทานมาเพิบอกเขาว่าท่านจงรู้สิ่งนี้ถ้าเขากล่าวว่าจะให้กระผมนําสิ่งนี้ไปแลกอะไรมาไม่ควรบอกเขาว่าจงนําของของนี้มาควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยใสน้ํามันน้ําพึ่งหรือน้ําอ้อยถ้าเขานํารูปียะนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวายยกเว้นทิ่สุบผู้รับรูปียะนอกนั้นทุกรูปฉันได้ถ้าทําได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี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 ถ้ารู้วิธีว่าเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งรูปิยะพิธีแต่งตั้งภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะและคําแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรร ม, มาวาจาวา่าห้าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุเช่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะนี้เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุเช่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุเช่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทัก ท, ท้วงภิกษุเช่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง